ความพอใจเป็นอานิจจังความไม่พอใจเป็นทุกขังความไม่รู้ใจเป็นแต่ในเวทนาทางจิตไม่เป็นอุทกมสุขเวทนานะแต่ไตรลักษณ์ทางจิตเปลี่ยนเป็นอุเปฆาเวทนาโสมนัสสเวทนาเปลี่ยนเป็นโทมณัสสเวทนาเปลี่ยนเป็นอุเปฆาเวทนาคือขันอุเปฆาเวทนาก็อุเปขาสามโพชฌงค์นี่็นละอย่างนะ อุเเกรขาสัมโพชงหมายถึงรู้ที่ไปที่มาแล้วเฉยเฉยรู้เฉยเฉยแต่อุเเกขาเวทนาหมายถึงรู้แบบไม่รู้เฉยแบบไม่รู้แต่หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์หรือเจ้าคุณธรรมพิโดกหรือนี้เป็นผู้ดูโคส า, าญาเนี่นะท่านให้จำกัดความมาดีมากว่าเฉยเมยกับเฉยมองอุเเกรขาเวทนาคือเฉยเมยอุเเกขาสัมโพชงคือเฉยมอง เพราะในสมมติโชกก็มีอยู่เปรขาเพราะในเวทนาก็มีอยเปรขาเพราะนั้นก็มีเปรขาสองตัวเพราะฉนั้นเราทุกข์เพราะเฉยเมยใช่ไหมแต่เราจะหมดทุกข์เพราะเฉยมองอ่านี่ได้เรื่องละทีนี้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นอ๋อ น, นี้เรารู้พูดถึงเรื่องความรู้ที่พุทธเาแต่สรู้มานะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกนะแต่ว่าเราก็อยู่พระไตรปิฎกมาพูดให้ฟังมันมาจากนั้นแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ถ้าเรามาเจริญพิปัสานายอย่างถูกต้องแล้วมันจะเพราะพูทีเจ้ารู้อย่างไรเราก็จะตามเห็นได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างถูกต้องเราก็เดาเอาแหละพราะพูทีเจ้ารู้อย่างโน้นอย่างนี้ว่าไปตามทิฏฐิของตัวเองดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้ทีเจ้าบอกว่าเป็นสวากาตธรรมว่าสิ่งใดที่เราตรถาคตรู้มนุษย์ทั้งหลายก็รู้เหมือนอย่างเราได้แต่ที่เราไม่รู้มันอย่างเราเพราะมันทําไม่ถูกไม่เป็นสมาธิทฐิ ก็ไปเดาเอาเดาไปเดามาก็ผิดไปเลยเกิดเป็นลัทธินิกายมากมายอย่างที่เราเห็นนะนะตามทิฏฐิทีนี้ผู้ทีเจ้าท่านใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ทิฏฐิไม่กล้าถามพระเดี๋ยวพระตอบเสียก่อนเราเราจะไม่ได้ความรู้ไม่ใช่มันมีคําว่าสัมมาทิฏฐิด้วยไงความจริงตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะในองค์มรรคมันเป็นปัญญาแต่ทําไมเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความจํากัดความของสัมมาทิฏฐิคืออะไรบ้าง 4อย่างใช่ไหมคือเห็นว่านี่เป็นทุกข์เห็นว่ารูปเนี่ยเป็นทุกข์เห็นนะแล้วก็ทุกข์นี่มีที่มาที่ไปแล้วก็ทุกข์นี้ดับได้ด้วยแล้วมีวิธีดับด้วยแล้วก็ทำได้ลักษณะที่ยังเห็นเข้าใจแต่ยังทำไม่ได้เรียกว่าทิฏฐิแต่พอเข้าไปทำตามได้จนได้แล้วกลายเป็นปัญญาเป็นโลคุตระปัญญาเพราะนั้นจือช่สัมมาปัญญา ยปสติสัมมปัญญายปสติอาถานิปินทติทุเเคสัมมโควิสิธยาเห็นไมเพราะนั้นตัวเป็นสัมมปัญญาตรงที่ว่าเรารู้เห็นเข้าใจถูกต้องแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะนั้นพระที่ฟังที่พระอูริองแสดงตรงนี้แล้วเข้าใจได้องค์แรกคือใครธรรมเทศนากันแรกก็มีคนเข้าใจอยู่คนเดียวอะฟังกันห้าคน เพราะฉะนั้นเข้าใจเท่านั้นนะแต่ยังเอาอะไรออกไม่ได้นะอ๋อจริงเป็นอย่างนี้โดยการเอ่ยคําเป็นหลักฐานว่ายังอะไรยังกินจิสมุทิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติทุกสิ่งที่อย่างมีการทุกอย่างมันมาจากสองของสอย่างคือการเกิดกระดับเท่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่สรุปก็คือทุกอย่างที่มันมีอยู่เนี่ยมีแค่ภาวะของการเกิดดับแม้แต่หลอดไฟที่เราเห็นน่ยเกิดจากการเกิดดับของอะไร เช่นนักดิบโพกับโพชิติโพนักดิบโพคือดับโพชิติโพคือเกิดใช่ไหมก็เกิดดับทํางานอยู่ด้วยความถี่ที่สูงมากอาจจะมันหพันรอบต่อนาทีแล้ 1, วพันวัลอะไรเงี้ยหรือร้อยรอบต่อนาทีก็คือร้อยวัลอะไรเงี้ยแต่วินาทีไม่ใช่ต่อนาทีนะเห็นไหมอันนี้คือทุกอย่างอยู่ในกฎของการเกิดดับทั้งหมดมันถึงจะทํางานแต่ถ้ามันเกิดดับกันแต่พอดีมันทุกจะไม่มีหลอดไฟนี้ถ้ามันควบ บวกกับขั้วลบทำงานไม่เท่ากันมันจะสว่างไหมไม่สว่างถ้าเกิดว่าขั้วลบมากกว่าขั้วบวกขั้วบวกลบเดี๋ยวช็อตกันหรือไฟกระพริบปป๊บปัแต่เพราะว่าขั้วบวกขั้วลบทำงานคงที่ปั๊บวนการหมุนความเร็วคงที่ฟรีคูเลชคงที่ปั๊บกลายเป็นนิ่งและสว่างจิตของเราเหมือนกันถ้าการเกิดกับการดับในจิตของเราสมดุลกันน่ยนั่นคือความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่ที่เราเกิดทุกข์เพราะว่า บางที่ชอบมากกว่าไม่ชอบหรือไม่ชอบมากกว่าชอบอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดการเกิดความคิดมากกว่าการรู้ความคิดความรู้ความคิดเป็นดับตัวรู้เป็นดับตัวคิดเป็นเกิดถ้าเราไปเห็นตัวคิดกับตัวรู้ เ, รเห็นการเกิดดับแล้วในระดับจิตแต่ระดับกายเรามาเห็นเนี่ยในร่างกายของเรามันมีอยู่สองลักษณะสามลักษณะหนึ่งก็คือสบายสอง ไม่สบายสามไม่แน่ว่าสบายหรือไม่ไอ้ความไม่แน่ตัวนั้นเราเรียกว่าเรียกมันไม่ชัดไม่ชัดว่าถ้ารู้ชัดๆลงไปเออที่สุกนะมันก็สุกรู้ชัดๆลงไปนี่ทุกข์นะแต่ขณะอาทุกข์ก็มาสุกมันเกิดตอนไหน ่าตอนเปลี่ยนนโยบดอุทุขมสุเกิดเปลี่ยนนโยบดขณะนี้มาจะเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่ามันไม่สบายแล้วใช่ไหมขณะที่เราขยับเปลี่ยนเนี่ยขณะนี้ช่วงต่อของการเปลี่ยนสุขไปสู่ทุกนี่เองมันเป็นอุทุขมสุขจะบัญญัติว่าสุขก็ไม่ใช่จะทุก็ไม่เชิงลักษณะอทุกขมสุขนี้ท่านจึงบัญญัติว่าอุทุขมสุกเวทนาแต่พอไปเป็นเวทนาทางจิตท่านใช้คำว่าอุเบกขาคือไม่ชัด รู้แบบไม่รู้รู้อยู่สุขเป็นไปทุกทุกเป็นไปสุขแต่ว่ารู้อยู่แต่ว่าไม่รู้มันเปลี่ยนกันตอนไหนเพราะในขยะไม่รับรู้แต่พอสติมากําหนดเอาหลักทีนิพพุทถึงตัวสติแล้วนะสมมุติว่าสตินั่นคือพอมารู้เรื่องนี้ปับ๊บเปลี่ยนสติเปลี่ยนมาเป็นญาณญาณขึ้นก่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านตรัสในธรรมจักรพระนรินสูตรจักของอุทปปะทีเกิดจากสุ ข, ขึ้นมาได้เกิดสติขึ้นมาได้ญาณัง ถัดมาเลยใช่ไหมไม่เอาปัญญาขึ้นก่อนไม่เอาวิชาขึก่อนเอาโลโกม้มาเนี่ยเอาญาณังขึ้นก่อนเลยตัวรู้ตัวรู้ทางจิตเรียกว่าญาณตัวรู้ทางกายเรียกว่าสติตัวรู้ทางเป็นรูปเรียกว่าสติพอเข้าไปรู้ทางจิตเรียกว่าญาณญาณังอุทัปธิรู้ทางกายเรียกว่าธรรมะจักษุก็ได้สติละได้ธรรมะจักษุตาเปิดละเขามารู้ว่ากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้มีที่ไปที่มาทุกทางกาย ทุกทางกายเนี่ยที่ไปที่มาเพราะความไม่สมดุลระหว่างอะไรเพราะการไหลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของธาตุไหนดินน้ําลงไฟไม่สมดุลกันเรานั่งตรงนี้เราไปทับเส้นอะไรเส้นท่อเลือดท่อลมแล้วมันก็แทนที่มันจะล่อ เ, เลือดลมเซลล์ต่างๆแทนที่มันจะหมุนเวียนเลือดลมไปสู่เซลล์ต่างๆร้อเอร์เซนใช่ไหมพอตรงนี้ถูกกดทับปับ๊บเลือดลมเข้าไม่ผ่านตรงนั้นเกิดการบาดเจ็บมันก็ดินน้นรนดิมันก็ปวดเลย พอเราขยับปั๊บเลือดลมผ่านเข้าไปจูดทันทีความสบายเกิดขึ้นแสดงว่าเลือดลมไหลผ่านไป น, นั้นเราไปบล็อกกฎของอนิจจังการเกิดถูกบล็อกเพราะแทนที่ไอเ้เลือดลมที่มันจะไหลผ่านเซลล์ที่เรานั่งทับอยู่มันไหลผ่านไม่ได้เพราะน้ำหนักมันทับอยู่พอเราขยับยกปับ๊บตัวเลือดลมถ้าสี่ไหลผ่านปับ๊บความเบาสบายเกิดขึ้นทันที นั้นถึงบอกว่าความสมไม่สมดุลระหว่างเกิดกับดับไง เ, เพราะมันเกิดมันแทนที่จะไหลเวียนอย่างสมดุลนะใช่ไหมมันกลับไปสตักตรงนั้นเพราะมันถูกกดทับเอาไว้ด้วยน้ําหนักคางแรงดึงดูดของโลกอ่าถ้าอย่างนั้นจะทำไงให้มันสมดุลในร่างกายในสมดุลไม่ได้มีแต่แก้ไขเรื่อยไปตลอดไปท่านว่าทุกทางกายมีแต่บําบัดแต่ทำให้หายขาดไม่ได้ ทุกทางกายมีแต่บำบัดเขาเรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขแต่ทําให้ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ของกายความสบายของกายความไม่สบายของใจจึงไม่ถือว่าเป็นสมุทัยถือว่าเป็นความไม่สมดุลของธรรมชาติอันหนึ่งแต่ตัวที่จะเป็นสมุทัยตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าความสุขเปลี่ยนเป็นความทุกขนะ์เนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเปลีป่ยนยังไง นั่งอยู่สบายๆใช่ไหมสักพักมันก็นหนักขึ้นถามว่ามันมันเปลี่ยนเป็นไม่สบายได้อย่างไรไอ้ความสบายไม่เงีนนะ้ยเนี่ยเปลี่ยนด้วยกฎของอะนิจังคือไตรลักษ์เราเข้าไปรู้อ๋อเข้าตามเพราะฉะนั้นเวลานักปฏิบัติเวลาจะเปลี่ยนถ้าจึงไปไงตามรู้ก่อนใช่ไหมเราค่อยๆเปลี่ยนไอ้การตามรู้เห็นการเกิดขึ้น ของความเบาสบายและเห็นความดับไปของความไม่สบายเห็นการเกิดดับทางกายทางรูปได้แล้วแต่เราเห็นอย่างนี้ทุกครั้งไหมไม่ไมล่ะแต่การที่เราเปลี่ยนแล้วสบายเลยโดยที่เราไม่เห็นขบวนการตรงนั้นอวิชาเกิดแล้วง่ายไหมอวิชาเกิดง่ายมากแล้วเราเปลี่ยนร้อยครั้งเนี่ยเราตามรู้อย่างนี้สักกี่ครั้งอย่าว่าแต่วันเลยแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยทํารู้สักครั้งไหมนี่ไง ทุกทเกิดง่ายมากเพราะอาวิชชาเกิดตลอดเวลาเราจึงมาจเจริญสติให้เกิดตัวรู้เพื่อจะตามรู้อาการเกิดและการดับของกายที่มันกําลังเป็นนี้โอ้โหเรื่องนี้ปัญญาของพุทธเจ้าลึกซึ้งมากเราไม่มีศาสดาองค์ใดนที่มาพูดอย่างนี้ให้เราฟังใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าแต่กณะ่าอาศัศจรรย์ที่ว่าพวกเราปฏิบัติแล้วก็รู้ตามท่านได้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ แล้ววิทยาศาสตร์ที่พิกส์อยูได้ด้วยสิ่งที่อาจมากล่าวถึงเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสุขเพราะกฎของไตรลักษณ์อ่าอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้นั่งสบายๆเปลี่ยนมาเป็นหนักอ๋อเขาเปลี่ยนก็เป็นเบาสลับหนักสลับเบาแล้วตามวันหนึ่งถ้าคนไหนตามดูกรรมหนักของเบาเกิดขึ้นในร่างกายของตัเองยี่สิ้าปเซนขึ้นไปเนี่ยคนนั้นตาเปิดแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม แค่ยีนะไม่ต้องร้อปเนะหมายความว่าคุณพลิกไปร้อยครั้งเนี่ยคุณรู้วันทันตามรู้ได้ถึงยี่สิบห้าครั้งทุกครั้งไปนะไม่ใช่ตามรู้วันนี้วันอื่นไม่นาทีอื่นชั่วโมงอื่นฉันไม่รู้นะฉันรู้ทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้ถึงยี่สิบห้านาทีในในหนึ่งชั่วโมงได้ถึงสิบห้านาทีคอเตอร์หนึ่งอะ ตามรู้ถึงการเกิดและการดับการสบายไม่สบายที่เกิดกันต่อเชื่อมกันอย่างเงี้ยได้ถึงสิบห้านาทีในหนึ่งชั่วโมงได้ถึงยี่สิบห้านาทีในร้อในในร้อยนาทีนนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมเราคนนีเ้เป็นพระสดาบันมันไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องวาสนาบา ร, รมีที่จะรู้ไม่ได้แต่ว่าเราจะเอาไม่เอาเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นท่านให้มีปัญญาตรงนี้ก่อนผู้ศาสนาต้องเริ่มด้วยที่ปัญญาคือเข้าใจเส้อก่อนแต่ การนับถือศาสนาทั่วไปเริ่มต้นด้วยอะไรเพราะนั้นปัญญาตรงนี้มันจะมาจากไหนในวิชาสิบเริ่มต้นด้วยประตูโสะคือพบกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรมาบอกเรามาบอกความจริงกับเราเราไม่จําเป็นต้องมีศรัทธาก่อนแต่มนุษย์ทุกคนมันมีปัญญาของมันอยู่แล้วที่สามารถจะเข้าใจอะไรก็ได้แต่ว่าได้พบคนรู้จริงไหมเมื่อพบกัลยาณมิตรผู้รู้จริงจะให้ปัญญาเราสามประการปัญญาแรกแรกที่สุดคือ สูตรมยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคนนั้นเอาไปใค่คนพิจารณาตามเออใช่ใช่ใช่เอออันนี้ไม่ใช่นะพูดผิดนะเออนี่ใช่นะพูดถูกค่คนตามตรงนี้ปัญญาดาพิสสองเกิดแล้วจินตามยาปัญญาแล้วคนนั้นเอาไปลองพิสูจนดูใช่หรือเปล่าที่เห็นเข้าใจอยนี้มันถูกต้องเราเราไปพิสูจนไปลองทําดูแล้วเออปรากฏพิสูจน์ได้ถูกเป็นอย่างที่ท่านว่าพิสูจน์แล้วไม่ถูกอ๋อไม่เห็นเป็นอย่างที่ว่าเลยนี่ ปัญญาต้องเกิดสามระดับนี้ถ้าเกิดแค่สองระดับปัญญายังไม่สมบูรณ์เกิดสตางไม่ได้เพราะยังไม่แน่ใจอ๋อพิสูจน์มันเป็นอย่างนั้นจริงเอา้าไม่กี่ท่านบอกว่านั่งนานๆแล้วมันจะหนักพอเปลี่ยนแล้วมันจะมันจะเบาเออจริงเอา้าก็รู้ว่าหนักหายไปไงบอเออพิสูจน์เข้าไปอีกเออจริงพิสูจน์ใกล้ๆไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติพิสูจน์ง่ายๆอย่างนี้ก่อนใช่ไหมหายใจเข้านานๆไม่หายใจออกไปไงหนักหรือเบาหนักหายใจออกเราไปไง บาหายใจเข้าเป็นเกิดหรือเป็นดับหายใจออกเป็นเกิดหรือเป็นดับมันเริ่มเช็คไปละทีเนี้ยเห็นการเกิดดับในทาภาพตาปากหายใจทั่วตั ว, ตวเป็นเป็นที่ตั้งการเกิดดับทั้งหมดพอเข้าใจได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นได้ดวงตาเข้าใจละแต่ว่าจะพิสูจน์หรือไม่เกิดจากภาวนาเมตญาปัญญาพอไปตามพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ตามรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆปั๊บ เกิดศรัทธาอยากจะทําทตามให้เยอะขึ้นนี่หลังจากเกิดปัญญาสามประการนั้นศรัทธาจึงเกิดนี่ในพุทธศาสนาศรัทธาต้องมาเป็นระดับที่สามระดับที่หนึ่งได้พบผู้รู้จริงก่อนระดับที่สองเราลงมือฟังตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาตั้งใจทําพิสูจน์แล้วเกิดปัญญาแล้วถึงเชื่อนะแล้วพอเชื่อเรื่องนี้โอ้กูไปทําอะไรมาตั้งนานกูไม่รู้เรื่องนี้เลยได้สติเพิ่งได้สติ สติสัมิญญาเกิดต่อไปก็ตั้งใจตามรู้เรื่อยๆแหละจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินไม่คลาดสายตาเลยตรงนี้คือเส้นทางไปสู่ตัวมรรคผลละอ่าแต่ทีนี้เราจะมีศรัทธาขนาดนั้นไหมที่จะตามรู้เรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องสบายไม่สบายวั น, ว, น, ว, นวันเนี่ยมีศรัทธาขนาดนั้นไหมถ้าไม่มีคุณก็รอไปก่อนรอไปชาติหน้านะหรืชาติไหนก็แล้วก็แต่แต่ถ้าคุณทําเรื่องนี้จริงคุณจบในชาตินี้จริงจเพราะสิติปัฏฐานสู่ท่านประกันเอาไว้ใช่ไหม ถ้าคุณขยันทำนิสุดไม่เกินเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนแต่ถ้าคุณทำแบบขี้เกียจทีเหียจไม่เกินเจ็ดปีแต่วาสนายังไม่มีก็อาจจะช้าหน้าพระอนุ์บวชกับพระพุทธเจ้ากี่ปีแต่ตอนที่พระอนุ์บรรลุธรรมนี่ในพรรษาที่เท่าไหร่ครับแต่ท่านออกบวชคงจะใกล้เคียงกันนะก็สี่สิบห้าอันนี้เกืหลักสูตร ล, ละแทนที่จะ เปีใช่ไหมแต่ท่านสีิบห้าปีพุทธเจ้าผลิตภัณฑ์เ้าท่านยังไม่บรรลุธรรมเลยอ่ะอันตรงนี้เขาเรียกวบารมียังไม่ถึงไงบารมียังไม่ถึงแต่ความจริงท่านได้ดวงตาเห็นธรรมจากไม่ใช่ได้จากพุทธเจ้านะี่บรรลุธรรมก็ไม่ใช่รูนะ้พุทธเจ้าเนะพระอนุน่ะอยู่กับพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตไปได้ดวงตาเห็นธรรมกับใครพระปุณณมันตานีบุตรใช่ไหมพออยู่ใกล้พุทธเจ้าก็ไปมีชินกันไม่ค่อยเชื่อกัน ไปฟังคนอื่นที่เขาพูดเออสะ ก, กิดใจตอนพุทธิย่าตายแล้วก็ยังไปอุสตส่าห์ไปนั่งร้องไห้นะพานุนนะเป็นเหนียวบรรไดที่ไหนร้องไห้ตามประวัติเขาว่าไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรที่ท่านตรมิติประธานสูตรอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงเจ็ดปีอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุด ต, ตั้งแต่เจดเดือนถึงเจ็ดปีเออย่างช้าที่สุดเจ็ดปี ทำแบบขี่เหียจหลังจากคุณทําบ้างไปทําบ้างนะนี่เขาเรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิล้วเพราะได้สติสัมปชัญญะได้สติปัญาแก็เกิดอะไรก็เกิดการไข้ครวนอยู่ในส่วนมนุษจิการพอไข้ครวนแล้วเกิดระวังสังวรนะเกิดอีสีสังวรเพราะระวังสังวรตัวเองมากขึ้นระวังการพูดระวังการทําระวังการคิด มาให้มันผิดเรียกว่าสุติลีสามแล้วมีโอกาสมาเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้จะเร็วขึ้นถ้าว่าตามวิชาสิบนะเริ่มต้นแต่แตกระยานามิตรปัญญาศรัทธามาเรื่อยๆจะไปถึง ว, วิชาและวิมุตตินี่มันแค่จะไปเขาก็มาบัญญัติไปหลักสูตรที่หลังเรื่องเหล่านี้นะทีนี้เรายังไม่คึอประเด็นที่ว่าเมื่อกี้ย้อนไปประเด็นที่ว่าตัว <c oughs> สุขเวธนาไปสู่ทุกขเวทนา เราไปสู่อทุกขมสุคเวทนาเมื่อไม่เสร็จไม่มีสติตามรู้สุขการเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์นี่มันหายไปอย่างไรแล้วก็สุขมันหายไปยังไงมันเกิดมาบนกันอย่างไรไม่ได้ตามรู้เพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดตัวปัญญาเพราะยังไม่เจอครูบาอาจารย์แต่วันนี้เราเจอครูบาอาจารย์แต่มาไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนกับที่อนุมิตเหมือนกันนะมามาคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะ อ่าเกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มาฝึกตัวรู้ตัวรู้มีแล้วทุกคนมีตัวรู้หมดใช่ไหมใครบ้างไม่มีตัวรู้มีมาตั้งแต่เกิดแต่ถามว่าตัวรู้เนี่ยได้เอาไปตามรู้ตรงนี้ไห ม, มเพราะอะไร<ม>เพราะยังไม่เกิดปัญญายังไม่พบกิริยาณมิตรแต่พบปัญญาได้กิริยาณมิตรแล้วตัวนี้ก็ยังไม่พออีก ตรงนี้เองจริงนํามาสู่ความเพียรไงศรัทธาต้องนํามาสู่ความเพียรถ้าศรัทธานั้นไม่นํามาสู่ความเพียรเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้เกิดจากปัญญาตัวนี้เป็นตัวตัดสินมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าพอลงมือทาความเพียรคุณทํา้อเพราะว่าคุณคนหนีแลนะ้นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงดูก็ไปเรื่องอื่นละคุณไม่ได้ตามรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังพอลงมือความเพียรป้อปูลสามารถเดินได้ทั้งวันนั่งได้ทั้งวันด้วยใจรักนะครูอาจารย์จะบอกหรือไม่บอกท่านก็ทําเพราะเข้าใจ พอเกิดปัญญาเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรที่เราทําความเพียรเพื่ออะไรเพื่อพี่จะเพิ่มกําลังตัวรู้เรารู้ว่าตัวรู้ไม่พอตัวรู้มันไม่พอตัวรู้ที่มีอยู่ด้วยทุกคนมีมนันเรียกว่าตัวรู้ที่เป็นสัญชาตญาณแต่พอเรามาตามรู้ระหว่างการเกิดดับของกายของเวทนาที่ว่ า, าเมื่อกี่นั้นเราพัฒนาตัวรู้จากสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณให้เป็นญาณขึ้นมา จากสันชัติยานให้เป็นยานขึ้นมาแล้วก็พัฒนาไปลําดับก็เป็นวิปัสนาญาณญาณคือตัวรู้ตัวนี้เองมารู้อ๋อความพอใจมันเกิดอย่างนี้ความไม่พอใจมันเกิดอย่างนี้ความเฉยเฉยมันเกิดอย่างนี้ไอการที่ตามพอไปรู้แล้วมันเกิดบ่อยหรือไม่บ่อยความพอใจไม่พอใจเกิดตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีการเปลี่ยนเป็นทุกตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนยังไงเรานั่งนิ่งๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะเปลี่ยน ย, นยนังงเพราะบำบัดทุกนั่นเองเบื้องหลังหรือแบื้องาวังของการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะ ความทุกข์บังคับเราจะนั่งนิ่งๆชั่วโมงไม่เคลื่อนไหวเลยเนะี่ยไหวไหมไหวถ้าคุณจะทําอะแต่มันเป็นด้วยทิฏฐิไม่ได้ด้วยปัญญาถ้ามีทิฏฐิทํายังไงก็ได้นะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วยอมรับกฎของความจริงถ้าเราไป น, นิ่งโดยที่มีถ้าสีทํางานไม่สะดวกเราเลยรับวิบากกรรมนานเข้าเราก็จะเป็นอมพฤกอมภาสเป็นโลกสารพัดโลกแล้วทีเนี้นั้นวิบากกรรมตามมา เพราะนั้นพรกรรมฐ า, านเกิดเป็นโรค ก, กันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะไปฝืนกฎธรรมชาติตัวนี้นะแต่ถ้าเรามีการบำบัดแก้ไขร่างกายให้เลือดลมสะดวกเดินผ่านสะดวกปับ๊บเราก็จะไม่เกิดวิบากกรรมที่จะตามเล่นงานเราทีหลงังเพราะนักจะเห็นพระกรรมฐ า, านอายุเทท้ายแล้วก็นั่งรถเข็นเป็นอาบุพุกรรมพ า, ากันเป็นส่วนใหญ่เพราะได้รับวิบากกรรมวิบากขันตรงนี้เอง แต่ถ้าหากว่าเราทําตั้งใจทําวิปัสนาตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ต้องเอาสมถะเข้ามามากนะักก็รู้ว่าสมถะเพื่อจะสําหรับคนที่จิตใจยังไม่สงบนิสัยใจคอยังไม่เกิดศรัทธายังหยาบกระด้างก็ใช้สมถะแต่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ทําวิปัสนาเลยไม่ต้องเสียวเวลากับสมถะเพราะในตัววิปัสนาแบบพูดนั้นมันมีตัวสมถะอยู่ในตัวแล้วการที่เราเกี่ยวข้องกับความเป็นไปทางกายทั้งหมดเป็นสมถะการที่เราเกี่ยวข้องทางจิต ทางอารมณ์เป็นวิปัสนาเราก็ดูทั้งสองอย่างตลอดเวลาเพราะตัวจิตไม่ได้ทํางานตลอดเวลาแต่กายของเราทํางานตลอดเวลาใช่ไหมมันย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอยู่ตลอดเวลาไอการที่เราไปตามรู้อาการเย็นล้อนอ่นแข็งเข่งตึงข้องมันอย่างชัดๆนี่เองมันเป็นสนามให้เกิดตัวเปลี่ยนแปลงจากสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณได้เราจึงทําสมถะแบบนี้ ไม่ใช่สมถะที่จะไปนั่งเอาลิตรเอาชาเอาเ ด, ด็นั้นเป็นเรื่องของฤาษีไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ทํากันเพราะเราติดฤาษีมาก่อนเราแยกกันไม่ออกระหว่างพุทธกับพ ร, รมเมื่อเรามีทิฏฐิแบบนั้นเขาต้องเอาแบบนั้นไปก่อนทุกไปก่อนแต่เมื่อเรามารู้แล้วอะไรเป็นอะไรเราก็อาตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือมาทําสมถะที่เปลี่ยนวิปัสสนาได้เลยแต่สมถะแบบพราหมงทีมเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะอะไรก็ให้เกิดความ ยึดติดความซับคัญผิดในสมาธิในฌานในฤิ์ในเดชในปฏิหารว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เก่งผู้ความสับคันักยทิฐิก็เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นสัมมาทิฐิใช่หมเพราะนั้นตัวในสัโญญสิบกับควมจริงมักได้ทำมันสมบูรณ์ที่เป็นมักสิบนะเพิ่มสมาญานกับสมาวิมุติเข้าไปอีกแต่ในหลักแต่เป ม, มักแปแต่สมบูรณ์แล้วต้องเป็นมักสิบมันจึงมาแมตกับสัโยชญสิบ สังโยชน์สก็เริ่มต้นด้วยสักะยะทิฏฐิมรรคสิบก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็เปลี่ยนสังโยคให้เป็นอริยมรรคเท่านั้นเองนะทีนี้เราจะเปลี่ยนอย่างไรว่าพระโสดาบันสามารถเปลี่ยนสักยทิฏฐิได้เพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์คนปุถุชนคนทั่วไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความเสพสุขใช่ไหมแล้วแสวงหาสุขกันตลอดชีวิตอ่าแล้วที่ว่าเมื่อกี้สแสวงหาสุขไปเจออะไร ก็เจ็บทุกเพราะมันเป็นอันเดียวกันแต่พอมาลุยปริศนาเราไม่แสวงหาสุขไม่แสวงหาทุกแต่เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกออกมาจากสุขออกมาจากทุกแต่ใช้ทุกใช้สุขอยู่ไม่ได้ติดเราออกมาจากมันแต่เราใช้มันใช้สุขเป็นยาและใช้ทุกขเป็นพลังงานนะ แค่เป็นพลังงานทุกนี่เป็นพลังงานนะแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกทุกนี่เป็นตัวไฟเผาเราเนี่เราจะเห็นว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แตสรู้มาเป็นคุณมหาศาลต่อพวกเราเอาแค่นี้ก่อนดีไหมถ้ามากกว่านี้เธอจะไม่ไหวนะเนี่ย <c oughs> นี่แค่วิจัยข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะวันต่อไปจะต้องวิจัยเรื่อง <c oughs> เรื่องเรื่องเมื่อกี้เราเรื่องวิงจัยสุขเวทนาเจ้าสิบหลากวันต่อไปก็วิจัยเรื่องทุกเวทนา มันจะมากกว่าสุขเวทนาด้วยซ้ําไปทั้งหมดเนี่ยทั้งสามสามอย่างเนี่ยจะมีะห์ทั้งสอย่างวันนี้เอาแค่สุขเวทนามันเกิดมาจากอะไรที่ไปที่มาเอาละเราไปสงสัยอะไรถามมาทีนี้มีใครสงสัยเพราะคุณเจ้าด้ก็ได้สงสัยตรงไหนที่ผมพูดมาผิดตรงไหนครับก็ได้ทักท้วงแล้วก็จะได้แก้ไขให้ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีเลยสงสัยแสดงมีสองอย่างหนึ่งเข้าใจดีที่สุดสองไม่ได้ฟังเลยอย่างโยม เบนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่บวชทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเพราะโยมเบนเป็นคนดีเกินไปคนดีก็บรรลุทำยากคนชั่วมากก็บรรลุทำยากคนดีมากก็บรรลุทำยากคนสุขมากก็บรรลุทำยากคนทุกมากก็บรรลุทำยากต้องสุขแต่พอดีทุกแต่พอดีดีแต่พอดีชั่วแต่พอดีแล้วมันจะบรรลุทำง่ายสมดุลยังไงอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าลืมหลักของการสมดุลในมัชชมาปฏิปทามีทางเดียวปฏิบัติให้มากขึ้น แต่มันไม่ถูกอ่ะอันนั้นอันนั้นไปจมอยู่การกระทํามันเพลินอย่างเงี้ยที่ปฏิบัติปฏิบัติตอนเปลี่ยนการเปลี่ยนของดวงตาคือ พ, พับตาขึ้นลงใช่ไหมการพับตากระลืมตานี่มีความหมายนะพับตาเป็นเกิดหรือเป็นดับลืมตาเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าอ่าเนี่ยแค่นี้ดูแค่นั้นการเคลื่อนไหวมีอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่หมายความคุณจะต้องไปนั่งสร้างจังหวะเยอะๆหรือยงวยเยอะแตพับตาเงี้ยเป็นเกิดหรือเป็นดับ มันเกิหายใจเข้าอันไหนเป็นเกิดอนไหนเป็นดับหายใจออกอันไหนเป็นเกิดเป็นดับระหว่างหายใจเข้ากับออกหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับอันไหนลักษณะของการดับรู้สึกมันสบายอันนั้นเป็นการดับนี่พานังประมังสู้ขังอย่าลืมหลักถ้าอันไหนที่มันรู้สึกไม่สบายอันนั้นเป็นเกิดนะภาพตากลับตาอันไหนสบายกว่าบางครั้งเป็นได้ทั้งสองอย่างบางครั้งหลับตาสบายมันก็เป็น ดับบางครั้งลืมตาสบายมันก็เป็นดับเพราะฉะนั้นในแง่ของวัตถุหรือรูปเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองด้านเป็นได้ทั้งเกิดทั้งดับแล้วแต่ว่าอันไหนมันก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายอันนั้นเป็นดับอันไหนรู้สึกอึดอัดขัดเครื่องหนักนวงทวงทับนั้นเป็นเกิดเกิดทุกง่ายแล้วเมื่ออาการที่หนักนวงทวงทับหายไปมันก็เป็นดับละดับทุกง่ายในแง่ของรูป แล้วการเกิดดับพลิกกันไปพลิกกันมาตัดสินก็นว่าสบายหรือไม่สบายเบาหรือหนักแต่แง่ของจิตในแง่ของนามมีประการเดียวเกิดเป็นเกิดดับเป็นดับแต่ในแง่ของรูปนั้นบางครั้งเป็นเกิดบางครั้งเป็นดับแล้วแต่พลิกกันไปพลิกกันมาเพราะมันนอนิจจงไงแต่นามล้วนเป็นเหนืออนิจจงเพราะนั้นมันเป็นเป็นมติเดียว <S <S เห็นหรือยัง หายใจเข้าออกก็รู้เกิดกัดดับใช่ไหมแต่ตามรู้ไหมหายใจนี้หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไม่สบายหายใจออกสบายระหว่างการเชื่อมต่อระหว่างเข้ากับออกเนี่ยได้ตามรู้ไหม <S <S <S น่าหน่ะเห็นไหมให้ตามรู้ตรงนั้นทีนี้ภาพตากระลืมตาเนี่ยภาพแล้วก่อนจะลืมรู้ไหมว่าจะลืมขึ้นอย่างไรหรือก่อนจะภาพรู้ไหมว่ามันภาพลงอย่างไรเนี่ยตรงนี้คือความละเอียดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องรูป ทำบ้างก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้นะมันจะต้องมีทักษะจากรูปไปแล้วมันถึงจะไปเกิดอยู่ในเกิดญาณปัญญาในใจได้ในเมื่อรูปยังยังไม่ชํานาญเราจะไปดูใจได้ไงนี่มันยากตรงนี้เองในเรื่องรูปที่เราตามรู้อยู่เนี่ยแต่ว่าจะไปดูทุกอย่างมันไม่ได้มันเหลือวิสัยของเรามันเป็นไอจินตายต้องดูหลักๆแค่สองอย่างอันไหนรู้สึกเบาอันนั้นเป็นดับอันไหนรู้สึกหนักอันนั้นเป็นเกิด อันไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นเกิดอันไหนมันเบาแล้วมันก็เป็นดับดูแค่สองอย่างหนักเป็นเกิดเบาเป็นดับอ่าดูแค่สองอย่างเวลานั่งเป็นนานๆมันทุกข์เกิดแล้วเราต้องการสุขแล้วการทุกข์อะชีวิตของเราต้องการสุขคุณก็ขยับสิคุณจะนั่งแช่ทุกข์อยู่ทำไมจะกลัวอะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะว่าเขาไม่ขลังไม่ได้นะเขาจะว่าเราไม่ขลังนั่งนั่งนานไม่ได้ ไอ้ความปัญญาอาวิชามันครอบเราตลอดเวลาแล้วก็ไปอยู่กับทุกข์พระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมงั้นจะเกิดเด็กกลุ่มพระเทวทัตขึ้นนะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท้งหมดอยู่กับทิฏฐิยังว่าถ้าเราเห็นกับทางที่เราท่านบอกเรื่องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราเรีรับไม่ได้อย่างที่ท่านบอกก็เป็นสักยทิฏฐิอยู่นั่นเองแล้วก็ทําตามพฤติกรรมของเราไม่ได้ทําตามพระพุทธเจา้าก็ยังเป็นทิฏฐิลทัทธิยิงเกิดขึ้นอย่างไง พุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนี้ถ้าขยายความไปยิ่งขยายความ ย, ายามีย่งขยายความเป็นร้อยอย่างกับเป็นร้อยลทัทธิลัทธิก็มาจากคำว่าทิถีนั่นแหละลัทธินิกายน่ะพูดง่ายกไปความเห็นฉันว่าอย่างงี้จะว่าไงพุทธเจ้าชู้ฉันไม่ได้เอาอย่างงั้นอ่ะอ ม, มีปเสนูนเข้า ท, ทิอย่างไงใช่ไหมยังเป็นไม่ต้องน้อยใจต่อไปต้องขยับมากกว่านี้วันนี้ให้ลองเฉยหพอถึงไม่ไม่ไปแก้อะไรพอให้ทุกไปก่อนเป็นวิวาห์ เดี๋ยววันตกไปค่อยแก้ทีละนิดนะใช่แต่ละเวลาขึอแม้เพ่อะอะไรเพราะตามหลักแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ร้อเปอร์เซ็นมันผิดมันต้องรู้รู้เป็นดับเผลอเป็นเกิดมันต้องรู้บ้างรู้ครึ่งหลงครึ่งหนึ่งในอัตราที่อัตราส่วนที่เท่ากันมันก็จะเป็นสมดุลเพราะมันกดท้องการรู้ก็มาจัดตัวเกิดดับเหมือนกันหลักเกณฑ์เดิมของมัน เพราะนั่นบางคนยังให้รู้แต่ลายเวลาคุณก็เครียดตายเท่านั้นนะใช่ไหมเออคุณก็ต้องผ่อนคลายไอ้ความหลงความเผลอทําให้เราผ่อนคลา ย, ยางไงพอจูรู้ขึ้นมาอ่าวใช่ไหมอ่ะเรื่องนี้พิจารณาให้ดีนะไม่ต้องเชื่อตามที่มาบอกก็ได้พี่นาให้ดีเพราะนั้นมันทั้งรู้ทั้งหลงมันถูกแล้วรู้บ้างหลงบ้างแต่ในอัตราเท่ากันในร้อยนาทีคุณรู้กับหลงเท่ากันไหม รู้กับหลงยังดูยากระหว่างคิดกับรู้สึกตัวในหนึ่งร้อยนาทีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันที่เผลอคิดไปกับรู้ตัวเนี่ยถ้ามันเท่าๆกันนะนั้นถูกต้องแล้วสมดุนมัชิมาปฏิปทาแต่ส่วนใหญ่เป็นคิดมากกว่ารู้เพราะนั้นปรับความคิดให้น้อยลงปรับความรู้ให้มากขึ้นให้สมดุลกันแล้วมันจะเท่ากันเจอแสงสว่างถ้าขั้วบวกมากกว่าขั้วลบ ไฟก็เกิดไม่ได้ข้อลบมากกว่าข้อบวกไฟที่สว่างไม่ได้เพราะข้อบวกขอ้อข้อบวกข้อบทำงานสมดุลกันปรับแสงสว่างเกิดถ้าปรับความรู้สึกกับความคิดให้พอดีปับ๊บปัญญาเกิดปรับความรู้กายกับความหนักกับเบาในร่างกายให้เสมอกันปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นเราปรับความสมดุลในกายในเวทนาในจิตในอารมณ์ได้ระดับนี้แล้ว ญาณปัญญาก็เกิดเขาเรียกวิปัสสนาญาณแต่เราไม่ใส่ใจถึงขนาดนั้นเพราะเราศรัทธาเรายังไม่ตั้งมั่นความเพียรในตรงนั้นยังไม่มีเพราะอะไรศรัทธาไม่ตั้งมั่นเพราะปัญญายังไม่เกิดปัญญาที่ถูกต้องไม่เกิดเพราะยังไม่เจอกรณีมิตรที่เราชอบต้องเป็นกรณีมิตที่เราชอบด้วยนะถ้ากรณีมิตรเราไม่ชอบถึงจะพูดถูกขนาดไหนเราก็เชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ชอบมันอยู่ที่ความทิฏฐิของเราด้วยอะเพราะฉะนั้นตัวสมาธิทิฏฐิจึงได้เปรียบ อันไหนถูกต้องนั้นชอบไม่ชอบมันก็ต้องเอาแล้ว่าสมาธิทิฏิแต่ถ้ า, าเป็นมิตรสักยัติทิฐิอยูอ่ฉันชอบทั้งที่จะฟังคุณฉันไม่ชอบฉันไม่ฟังเนี่ยมันก็อยู่ตรงทิฏฐิด้วยตัวนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเข้าจะให้ดีนะหลงบางรู้บางถูกต้องแล้วถ้าหากว่าโดวชอบโดยชอ บ, ชอบนั้นเกิดด้วยปัญญาเรามาเรียกว่าชอบเราเรียกว่าปีติเป็นธรรมปฏิปิสุขังเสติมันไม่ได้ชอบด้วยกิเลส ไม่ไม่ผิดถ้าธรรมะธรรมะปีติไม่ผิดนั้นมันเป็นธรรมชาติว่าเกิดก็ตรงที่ว่าเกิดความชอบตรงนั้นทําให้หลงหลงหรือว่าเพลินหรือว่าชอบด้วยความเข้าใจหรือด้วยความไม่เข้าใจตรงนั้นถ้าชอบแต่เข้าใจในสิ่งที่ชอบด้วยเป็นธรรมะปีติแต่ถ้าหากว่าชอบแต่ทั้งๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ที่ที่ที่พูดแต่ท่านชอบอ่ะแต่สิ่งนั้นเราเข้าใจได้แล้วทําให้เราชอบแล้วเกิดสัต ถ้าไม่เข้าใจไปพิจารณาให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวจะพึ่งเข้าใจเดี๋ยวไปเกิดปัญญาก่อนค่อยเข้าใจเดี๋ยวมันถูกเดี๋ยวมันผิดไปใครคนอีกทีหนึ่งนะใครคนอีกทีหนึ่งเพราะบางอย่างนั้นจะให้เข้าใจทันทีไม่ได้เมื่อเพราะว่าลักษณะที่เราเพิ่งปฏิบัติเนี่ยความละเอียดอ่อนตรงนี้ยังไม่พอแต่สิ่งที่มาพูดไปเนี่ยคือคือหมายความเห็นภาพทั้งหมดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดอะภาพทั้งหมดมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ใครจะว่าถูกว่าผิดก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกรู้แล้วมันนสบาายยรู้ล้ผลผล่อค รู้แล้วมันสงบเป็นเพื่อ อ, อะไรอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะสังวัตติมันเป็นเพื่อสิ่งนั้น